พระธรรมเทศนาแผงที่82ดอลำดับที่12โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุรธานีสแสดงธรรมในวันที่8มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าฟังด้วยเหตุด้วยผล เมื่อวานฝนก็ตกแรงนะสามสี่โมงเย็นรู้สึกว่าอากาศชุ่มฉ่ำเย็นเดี๋ยวนี้ก็ยังตกอยู่สิ่นฐานบ้านข้งเรารู้สึกว่าเย็นช่วงนี้ฝนตกลงมาดีแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แปดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวาน มีสัตยาธติโยมมาจากกรุงเทพเขาก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่ อ, อทุกวันนี้แนวความคิดของพุทธศาสนาใครก็สาขาไหนก็ว่าถูกกลุ่มหนึ่งก็ว่าถูกกลุ่มหนึ่งแต่ละหลายคนสายหลวงปู่มั่นก็บ่นนี้ละบอกว่าสายหลวงปู่มั่น แต่ตามไม่จริงเราบอกว่าเราอยู่สายหลงปู่มัน่นเราไม่ได้ยกย่องสายหลงปูมัน่นแต่เราแนะนําวิธีการพอเราได้ศึกษามาในแนวแถวหลงปูมันเราก็แนะนําสั่งสอนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงอันนั้นกระสุดแท้แต่ดุลยพินิษของแต่ละท่านแต่ละคนผู้มีปัญญาศึกษาอันนั้นเราก็มอบให้กับผู้ที่ ใช้สติใช้ปัญญาเรียนรู้ศึกษ า, เ, าเราก็บอกว่านี่ยนะไม่ว่าแต่ในครั้งเรานะนะในครั้งพระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นาศาสนาแทๆ้ๆยังมีเทวทัตนะีไม่ใช่แต่มีแต่เทวทัตตุ่มของเทวทัตก็ไม่ใช่น้อยเมื่อไหร่ก็มีมากมายอีกเหมือนกันแต่ทําไมเกิดมาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไปทําไมไปเลื่อมใสศรัทธาในเทวทัต มันทําไมนั่นแหละ อ, อกลุ่มของใครกลุ่มของเราเหลวงปู่ล่าท่านว่ า, มาแมลงวันก็เขาก็เป็นกลุ่ ม, มแมลงวันมแมลงผู้มแมลงพึ่งเขาก็เป็นกลุ่มของเขาเ อ, อแต่ใครก็เราก็คิดว่า เ, เราเราเป็นมแมลงวันหรือว่าเราเป็นแมลงผู้แมลงพึ่งสุดแท้แต่ใครจะยกกลุ่มของใครพองเราขึ้นมาเอ อ, อันนี้นก็คือนั่น ผลในสุดการเวลานั่นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผลการกระทําของเรานั่นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ขั้นสุดท้ายอย่างหลวงปู่ขาวปู่ขาวทังหว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็ได้เกิดได้เป็นพระแต่เราเป็นไปเป็นลูกศิษย์พระโกกาลิกในชาตินั่นในครั้งพุทธกาลเราก็เลยไปตกนรกเพราะเรา ไปเห็นเป็นมิตรสาธิธิธเราก็ไปตกนรกซะมาพบในชาตินี้เราเหมุนกลับกลับตัวใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือหลวงปู่ขาวนะที่ท่านได้เอดให้ลุกศิษย์ลูกหาได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือน า, น า, น, านาความเห็นนานาทัศนะในแนวความเห็น แต่หลวงพ่อพูดทุกวี่ทุกวันก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนจะเห็นด้วยนะบางทีคนอาจจะมีความคิดเห็นเ อ, อไม่ไม่เห็นด้วยเ อ, อในหลวงพ่ออินพูดแต่หลวงพ่อบอกว่าให้ฟังให้ถีท้วนซะก่อนจงค่อยวิจารณ์ฟังให้ถีท่วนซะก่อนฟังให้ท่วนทีซะก่อนที่หลวงพ่อพูดไปนั่นตรงไหนคําพูดไหนเ อ, อที่ว่าพูดไปแล้วนะ ไม่มีเหตุผลย้อนมาย้อนถามมาหลวงพ่อจะติดชี้แจงให้ฟังว่าคำนี้แหละพูดคํำนี้แหละไม่มีเหตุผลเออไม่ใช่แบบทีคณขะผููไว้เล็บยาวะเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าไม่พอใจในภาษาเลบุตรที่เป็นที่เป็นหลวงลุงของตนเองเอ่อมาอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถวายงานพัดอีก เหยืพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในถ้ำแล้วก็ทําทําสุกรขาตามแต่ในพระพุทธองค์ก็นั่งเมื่อกันคงจะมีอากาศอบอ้าวภาษาไรบุตรก็ถืองานพัดไกิๆว่าพัดอยู่เบื้องหลังทีาคณะขาที่เป็นหลานชายของภาษาไรบุตรเนี่ยก็เรื่อ ง, องลือระหว่างภาษาไรบุตรเป็นผู้กระเรื่องในกลุงพระราชคิพ์เป็นผู้มีปัญญาเสียแปลง เป็นที่ยอมรับกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นที่ยอมกันแต่นี้ทำไมมาสยบมาสยบให้สมณะสักกะยบุตรมาสยบให้พระพุทธจเจ้ามาเป็นลูกศิษย์มายอมเป็นลูกศิษย์และถวายงานพัดอีกต่างหากทีาคณะเข้ามาเห็นมากราบแล้วก็ความไม่พอใจมันมีอยู่ในใจความอิดชาาและความไม่พอใจมันมีอยู่แต่นี้พระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟัง แสดงธรรมท่านก็ไม่ใช่ว่าจะให้ฟังแต่ทีคณิกาคนเดียวหรอกก็มีภาษาริบุตรมีท่านผู้ใดแต่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้ว <c oughs> ท่านจะแสดงธรรมให้ใครฟังอท่านก็คงจะรู้ว่าวันนี้ะอพระเสนาบดีสาริบุตร อ, อัครสาวกข้างขวาของเราจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันท่านก็รู้อยู่แล้วแต่ที่พระองค์ก็แสดงธรรม ขอเทศเทศเทศไปทีคณขะนั่งอยู่ตรงหน้าตรงตรงหน้าพระพักตพระพุทธเจ้าพูดโพลงขึ้นมาเลยว่าสำท่านสัมำนัโคดมที่ท่านพูดออกมาเนี่ยข้าพระเจ้าไม่พอใจทั้งหมดอแต่ความอิจฉามอยู่ในใจแต่ที่ท่านพูดออกมาตรัสออกมาเนี่ยข้าพระเจ้าไม่พอใจทั้งหมดเพราะพระโองค์ก็บอกว่าทีคณขะเธอ ควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยนะพระพระพุทธเจ้าสำทับเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยพอพระพุทธองค์จัดตรัสเพียงเท่านั้นภาษาลิบุตรอัครสาวกที่ท่านถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระอัจฉดายะพอได้ฟังคํานั้นท่านั้นแปลว่าอันนั้น ความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกตัวเขาเข้ามาสู่ใจเลยใจของเรามันนึกคิดเรื่องอะไรพอจากนั้นท่านก็ปล่อยวางพเพ้อะลยได้สำเร็จเป็นพระอรหันในการนั่งฟังเนี่ยนะทีคณะขาท่านก็ไม่ได้พูดว่าได้อะไรเขาได้คงจะได้ความโมโหได้ความไม่พอใจเท่านั้นเท่านั้นกังแต่สวนภาษาไรบุตรได้สำเร็จเป็นพระอรหันเออ ในการฟังในคราวนั้นครั้งนั้นจุดนั้นอ่านี่แหละอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้แต่ตามไม่จริงถ้าทีาะคณะขาไม่พอใจในจุดไหนก็บอกที่ว่าท่านสัมประโคโอรมที่ท่านพูดในจุดนั้น่ข้าเปเจ้าไม่เห็นด้วยนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออพระพุทธองค์ก็จะได้แสดงชี้แจงให้ฟัง อ, อย่างเออ นักปราชญ์ที่อยู่ในพะหงสหัสเ อ, อ, อันนั้นก็คือท่านคนนั้นกับท่านเป็นผู้มีปัญญาคนก็นเลื่องลือกันว่าเป็นผู้เป็นมีปัญญาแตกฉานในกรุงราชคฤห์ อ, อยู่แถวฤทศวีโพูรปลาลมหสมณะโคดลมพูดได้อย่างไ อ, อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกับเราอยู่ อยู่ในพื้นแผ่นดินแต่ปฏิเสธแผ่นดินว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขนาะร่างกายตัวเองก็ยังบอกว่าไม่ใช่ของเราอีกอท่านโคตรจังท่านสัมภณะโคโดมเอาเถอะในเมื่อท่านเสด็จมา่ท่านมาในเกรดแขวงเราเอาเถอะเราจะเข้าไปถามปัญหาเราจะไปเขย่าให้ดูอะต้องคอยดูนะคล้ายๆว่าท่านกับประกาศชักดาษนะ ประกาศจากาักรา้กับคณะสิทธิานุสิทธิทั้งหลายฝั่งทั้งพวกฤศวีทั้งกษัตริย์ทั้งหลายเขาก็คอยฟังจากนั้นพระองค์พระพุทองค์ได้เดมาเขตแขวงกงรุงพายาลีเกตแขวงกรุงราชคือา อ, อได้จังหวะเขาก็เชิญนี่แหละนักปราดที่ว่าิเหลียวฉลาดในหัวเมืองเข้าไป พอก็ไปก็ไปถามปัญหาพระพุทธจ้าบอกว่าท่านสัมมณโคโดมท่านเข้าท่านพูดว่าเนี่ยร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเท่านปฏิเสธได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ของท่านจะเป็นของใคร อ, อ, อันนี้เป็นของท่านแทๆ้ๆทำไมถึงท่านจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเ อ, อพุณธองค์บอกว่าท่านเธอ อันนี้กุงราชจะคือเนี่ยเป็นมีพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินท่านปกครองโดยธรรมท่านมีอํานาจจิตขาดใช่ไหมใช่เขามีอํานาจจิตขาดเขาสัง่งประหารใครก็สั่งได้ใช่ไหมสัง่งจําคุกใครเขาสั่งได้ใช่ไหมเพราะท่านเขามีเขามีอํานาจใช่ไหมใช่ในเมื่อท่านถือว่าท่านมีอํานาจท่านสั่งได้ไหมว่ะ ร่างกายนี่อยากแก่นะท่านสั่งได้ไหมอย่าเจ็บนะอย่าตายนะท่านสั่งได้ไหมนักปราชญ์ก็นั่งเงียบนิ่งเลยจะได้ไม่ทั้งหดรู้จะไปทางไหนในเมื่อบอกว่าอยากแก่อย่าเจ็บอย่าตายสั่งไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นของท่านได้อย่างไงจะเป็นของเราได้อย่างไรจะเป็นของท่านได้อย่างไง ถ้าเป็นลักษณะนั้นก็ต้องเป็นอนัตตอนัตตาใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะสั่งไม่ได้ใช่ไหมนักปราชญ์ก็เลยเงียบเน่งเลยท่านเอาสู้ต่อไปถวกกองเสียถามอีกแปลว่าไม่มีทางไปเลยท่านหยุดรู้ลแล้วแพ้ทางกันแล้วแต่ก่อนนะเอ้ยเราเนี่ปัญญาของเราเนี่ยตอนไ น, นเอาเอาไว้เคียนพุงเอาไว้ เขียนกระเพาะเอาไว้เดี๋ยวกระเพาะเราจะแตกเพราะปัญญาของเรามันมันมากแต่ที่ไหนได้พอไปเจอเพระพุทธเจ้าเท่านั้นแลออก็นิ่งเงียบเลยสู้ไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือทมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตรัสได้บอกเอาไว้พวกเราท่านทั้งหลายนำมาพิจรารณาดูที่ถ้ามันผิดที่ตรงไหนคำพูดไหน อ, อ, อันนั้นเราก็จะต้อง ให้พระพุทธองค์ชี้แจงให้ฟัง อ, อย่างที่นักปราชญาอย่างที่นักปรชญาเนี่ยที่ท่านที่ท่านได้ที่ท่านได้ได้เรียนรู้ อ, อย่างนั้นเพราะนั้นถ้าหาก ว, วันเราไม่พอใจทั้งหมดแบบทีขะนักขะพูดอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางเข้าความอิจฉาอยู่ในจิตใจแล้วก็พูดพ้องออกมาอย่างนั้น แต่ว่าท่านนักปราชญาที่ท่านถามอย่างนี้แปลว่าใช่ได้เพราะว่าท่านชี้จุดไม่พอใจจุดนี้ท่านพูดได้อย่างไงอย่างนี้นี่แหละหลวงพ่อเองอยากจะอยากจะได้ยินจากบรรดาคณะัทหาญาติโยมลูกศิษย์เหมือนกันนะที่หลวงพ่อพูดเข้าไป MP ็สของหลวงพ่อมีมากมายจุดไหนที่ว่าพูดออกไปแล้ว ไม่ถูกไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยไม่ถูกตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยหรือไปไม่ไปตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อก็อยากจะฟังอยากจะศึกษาอีกเหมือนกันแล้วก็ผู้ที่มีเจตนาดีหลวงพอดีเพราะว่าหลวงพ่อจะได้มาไม่เข้าใจผิดในจุดนัด อย่างหลวงพ่อพูดที่วัดป่าบ้านตาเนี่ยหลวงพ่อว่ากล้ำกล้ำไม่ใช่กรรมไม่ใช่กลํานะท่านนะกรรมธรรมดาไม่ใช่ไม่มีไม่ตัวไม่มีตัวกล้านะท่านนะหลวงพ่อก็รู้เออใช่หลวงพ่อว่าเมลุเมลุท่านนะไม่ใช่นะไม่ใช่เมลุนะท่านพูดออกไปมากเมนเมนธรรมดาน่ยไม่ใช่เมลุนะท่านนะหลวงพ่อเออใช่หลวงพ่อจะได้เรียนรู้ ในสิ่งที่หลวงพ่อไม่รู้ที่ท่านรู้กว่าเนี่ยหลวงพ่อก็ยอมรับว่าอืมใช่เนีจากนั้นมาหลวงพ่อก็ศึกษาใช่ไหมใช่ถ้าหลวงพ่อเมนธรรมดาว่าเมนนะทำเมนลูกมาดอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่นะอีกอย่างหนึ่งศัพบหนึ่งอีกนะเนีต้องพ่อต้องต้องรู้นะนะอันนี้แหะคือหลวงพ่อถ้าจะว่าไปโลกใบนี้นะ่ยมันไม่ได้หยุดอยูยย่จุดใดจุดหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเราจะไปอิดช้าเขาแล้วกัไปตีรวบทั้งหมดมันไม่ใช่มันไม่ถูกเออมันต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอรอบคอบอ่านดูฟังดูด้วยเหตุด้วยผลจากที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยบอกว่านความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษย์ชาตินี่คืออะไรหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่หลวงพ่อ เน้นอีกว่าคนในยุคสมัยนั้นในสมัยพรังพุทธกาลเขาว่าความสุขของมนุษย์คือความพอใจความรักความรักคือความพอใหจนั่นแหละคือความสุข อ, อ, อันนี้คือคือคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาถกเถียงกันขึ้นคือท่านยกเป็นมีนักเลงสกานักเลงสกาก็คือคงนักเลงเไฮโล นักเลงเล่นการพนันเน่ยพวกไฮโลพวกนี่แหละเอ่อคคงจะไปหาตกไฮโลไปหาเล่นโบกเล่นไพ่ลักษณะอย่างงั้นอ่ะแต่ได้่เขาก็เข้าไปอยู่ใกล้วัดสะปะวัดป่าเชตะวันมหาวิหารก็ได้ยินทราบข่าวว่าสมณโคดรมพวกพระทัเจ้านี่เป็นสยามผู้รู้เรื่องต่างๆรู้แจ้งโลกเอ๊ะเขาไปถามด้วยซิว่าเออสมณโคตรมท่านจะมีความเห็นว่ายอย่างไรเพราะว่าเขาลูกของเขาตายฮะ เขาเป็นห่วงลูกของเขามากเขาก็บอกว่าท่านส ม, มณะโคดมผมลูกของผมตายแล้วจะทำยังไงผมมีความมีความทุกข์อยู่ใน จ, ใจิตใจเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าส ม, มณะอออบอกว่าเธอโยมอุบาสกสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นทุกข์มาก ยิ่งรักมากยิ่งทุกมากเพราะนั้นอย่าไปรักจนเกินไปถ้ารักมากต้องทิ้ยิงต้องทุกมากนักเลงส ก, กาคนนั้นเป็นนักเลงอยู่แล้วใช่ไหมลบขึ้นมาเลยไม่พอใจในคำพูดของสัมมนโคดมพูดหน้าเดียวสิ่งไหนที่หน้าถ้ารักมากมันก็ต้องสุกสิจะระทุกได้ยังไงเหมือนกับเราได้เงินได้ทองได้ลูกได้เมียได้ ทรัพ ส, สมบัติอะไรมาเนี่ยเป็นที่พอใจเรารักมากเราก็สุขต้องสุขสิจะไปพูดหน้าเดียวอย่างนั้นได้ยังไงจิงไหนที่รักมากสิ่งนั้นทุกมากพูดคำเดียวเราไม่เห็นด้วยนักเลงเขาว่าอย่างนั้นนะ เ, เขาก็ออกมาพอออกมาก็มาพูดเลมาพูดในวงนักเลงเหมือนกันเ อ, อผมเขาไปหาส ม, มณโคโรมเมื่อเกี้เนะ่ยส ม, มณโคโรมบอกว่าสิ่งไหนก็ตามสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นทุกมาก ผมไม่ผมว่าไม่ใช่ไม่ทุกไม่ใช่สิ่งไหนที่มันสุขมันมีอยู่ทําไมพูดหน้าเดียวอย่างนั้นพูดสอนคนได้ยังไงทีนี้ก่อนนักเลงสักเรงขี่เมาโดยกันทั้งหลายในวงนเล่นการปรนันใช่จอมนาพูดผิดเราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่ทุนคุณพูดได้ถูกแล้วพูดหน้าเดียวสอมนาโคดมพูดหน้าเดียว ตอนนี้ก็คำแล้วก็กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีนี้บอกว่าสมณะพุทธประพุทธไทเจ้าเนี่ท่านบอกว่าสิ่งไหนก็ตามสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นก็ยิ่งทุกข์มากตอนได้เข้าไปในเวียงหวังเออไปในเวียงหวังคือพระเจ้าประเสียงที่โกศธนได้ยินแล้วไม่ไม่สบายพระไทยเหมือนกันเพราะคนคํำพูดเนี่ย ม, มันกระจายไปแต่ในวันนั้นพระเจ้าประเสียงที่โกรธโสนก อ, อ ถวายพระกาหารเย็นตั้งโต๊ะขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงในเวียงวังคือถวายถวยิ่งพระยาหารพระกระกรกะยาหารถวายพระกราหารเย็นพระเจ้าพเพลินก็ถามในที่ประชุมที่ถวายภระกราหารเจนาบดีโปโลหิตตาจาราดเวกทางหลายที่นั่งสวยพระกราหารร่วมวงกับพระเจ้า พ, าพระเจ้าแผ่นดิน เออเราในสงสัยเนี่ยคําพูดนี้แหละอที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งไหนก็ตามสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นที่ทุกมากทีนี้คําได้มันกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นการดูถูกเรือว่าเป็นการที่ไม่ให้ความเคารพในส ม, มณะอพระพุทธเจ้าของเราเราก็ไม่สบายพระไทยเหมือนกันนะทาไม ใครจะให้คำตอบคำได้ได้มันเป็นยังไงชี้แจงให้ฟังสิเพราะ น, นางมัลลิกาที่เป็นอัครมะเหสีได้ร่วมวงได้ร่วมวงสเสวย อ, อยู่ด้วยานางมัลลิกากระบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสถูกแล้วประจัาคาถูกยังไงอา้าวอย่างพระพระุทธอย่างพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดิ น, นรักแว่นแว่นแขวนไหม รักอัคคะมเหสีไหมรักลูกไหมรักกสิรักยิ่งกว่าหัวใจหัวหัวตัวเองอีกถ้าพระองค์ได้พัดภาคจากแคว้นล่ะได้พัดภาคจากอัคคะมเหสีจากลูกทั้งหลายแหละที่เรารักที่รักรักๆนั่นที่เราได้พัดภาคจากสิ่งเหล่านี้พระองค์เป็นทุกข์ไหมโอ้ทุกข์ เนอถ้าคิดมาจุดนี้ทุกมากมากเพราะเรารักมากเราก็ต้องทุกมากสิโอ้สา ม, มัญะโครุมพระพุทธเจ้าตรัสถูกต้องจริงๆเองพระองค์ลงจากพาส่วยเหมั้นกอนลงจากพาส่วยนั่งคุกเขา่าแล้วเอาผ้าเสเวียงบาคล้ายๆแบบเหมือนกับคนโบราณเลยเอาผ้าเสเวียงบ่าขึ้นมาแล้วกัอผ้าสบายเสเวียงบ่าเสร็จแล้วก็นั่งคุกเขา่าประนมมือเออ กราบไปทางพระพุทธเจ้าเ อ, อนโมตัสสะปะกวาโตอราหโ ต, ตสัมมาสัมพุทธทัสสะถึงสามครั้งข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแดพม่พระพูทมีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธองค์พูดถูกจริงๆอิงเนี่ยพระเจ้าปเสนยืนยันยอมรับเลยในเมื่อสิ่งใดก็ตามถ้ารักมากก็ต้องทุกมากถ้าเราไม่รักมาก เผออเผอยังสมนําหน้าเขาอีกต่างหากเพราะเราไม่รักเขาเนี่ยเราจะไปทุกกับเขาได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เรารักมากเราก็ต้องทุกมากเนีพระพุทธองค์ตัดถูกจริงๆในคํำนี้ข้าพเจ้ายอมรับเลี่ยนี่แหละคนสมัยนู้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําพูดใดก็ตามนะหลวงพ่ออินพูดออกไปแล้วจะยอมรับทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่เราอยากจะเราจะรู้ว่าอคําพูดใดที่ออกไปแล้วเออ มันไม่ถูกต้องอเป็นพิษเป็นภยัยไม่ถูกความตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ถูกแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือไปเหยียบย่าทำลายท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมีไหมถ้ามีมาแล้วก็บอกมาหลวงพ่ออินอนอมรับทั้งนั้นแหละหลวงพ่ออินอไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าดินะลายอีกไม่กี่วันหลวงพ่ออินก็นตายละรับพรใ น, นวันนี้นะ วันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะ <c oughs> พวกเราท่านทั้งหลายอย่าปิดหู ก, ก็แล้วกันให้ฟังเอาไว้นะมีสองหูนะ <c oughs>